พระนางวิมาลาเทวีทรงสดับถ้อยคำของพระมหาสัตว์ทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งทรงพาพระมหาสัตว์ไปให้สงด้วยน้ำหอมเป็นจำนวนพันหม้อในเวลาสงเสร็จทรงประทานเครื่องประดับมีผ้าทิพและของหอมมาลาทิพเป็นต้นแก่พระมหาสัตว์ในเวลาประดับตกแต่งเสร็จแล้วได้ประทานทิพยพโธอาหารทิพ พระมหาสัตบริโภคโคชนาหารแล้วสั่งให้ปูอาสนะที่เขาประดับไว้แล้วนั่งเหนือธรรมะมที่เขาประดับแล้วแสดงธรรมด้วยพุทธลีลาพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสพระคาถาว่าท้าวรุณนาคราชตรัสถามปัญหากะวิทุระบัณฑิตชันใดแม้พระนางวิมลานาคัญญา ก็ตรัสถามปัญหากวิทุระบัณฑิตฉันนั้นวิทุระบัณฑิตผู้เป็นปราดอันท้าวรุณนาคราชตรัสถามแล้วได้พยากรปัญหาให้ท้าวรุณนาคราชทรงยินดีฉันใดวิทุระบัณฑิตผู้เป็นปราดแม้อันพระนางวิมลานาคัญญาตรัสถามแล้วก็พยากรปัญหาให้พระนางวิมลานาคัญยาทรงยินดีฉันนั้น วิธุระบันดิตผู้เป็นปราชทราบว่านาคราชผู้ประเสรศิฐและพระนางนาคกัญญาทั้งสองพระองค์นั้นทรงมีพระหรุไทยชื่นชมสมนัตจึงไม่ครั่นครามไม่กลัวไม่ขนพองสยองกล้าวได้กราบทูลเท้าวรุณ น, นาคราชว่าข้าแต่นาคราชฝาพระบาทยาทรงวิตกไปเลยข้าพระองค์เป็นทาตสวย ขอฝ่าพระบาททรงกระทํากิจด้วยเนื้อหัวใจของข้าพระองค์ตามที่ฝ่าพระบาททรงพระประสงค์เถิดถ้าฝ่าพระบาทไม่ทรงสามารถจะฆ่าข้าพระองค์ข้าพระองค์จะทําถวายตามพระอัธยาศัยของฝ่าพระบาทเองพระเจ้าค่าบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าไม่ครั่นคร้ามอชัมพีได้แก่ ไม่สทกสถานคาว่าไม่ขนพองสยองกล้าวอโลมหัสโถได้แก่ไม่ขนพองเพราะความกลัวเลยคำว่าได้กราบทูลว่าอิจะพระวิความว่าได้กล่าวดังนั้นด้วยอํานาจการทดลองคำว่ายาทรงวิตกไปเลยมาเพทะยิความว่า พระองค์อย่ากลัวไปเลยว่าเราจะทํากรรมคือการประทุษร้ายต่อมิตรและอย่าคิดสงสัยไปเลยว่าบัดนี้เราจะฆ่าบัณฑิตนี้อย่างไรเนาวิทุระบัณฑิตเรียกวรุณนาคราชว่าค่าแต่นาคราชนาคะคำว่าอาย า, ม, ามัสมิข่าพระองค์เป็นท่าสวยตัดบทเป็นอยังอาหมัสมิ บาลีก็อย่างนี้เหมือนกันคำว่าจะทำถวายเองสยังกริสามิความว่าถ้าพระองค์ไม่อาจจะฆ่าฆ่าพระองค์ด้วยทรงดาริว่าเราได้ฟังธรรมในสำนักของบัณฑิตนิซัยข่าพระองค์จะกระทาถวายเองให้สมกับพระอัิยาศัยของพระองค์พญานาคราตรสว่าปัญญานั่นเอง เป็นหัวใจของบัณฑิตทั้งหลายเราทั้งสองนั้นยินดีด้วยปัญญาของท่านยิ่งนักอุณกะยักษ์จงได้ภรรยาในวันนี้จงไปส่งท่านให้ถึงแคว้นกุรุรัตในวันนี้ทีเดียวบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเราทั้งสองนั้นของท่านเตตยามหะความว่าข้าพเจ้าทั้งสองคนนั้นยินดีนักหนาด้วยปัญญาของท่าน คำว่าปุนกยักษ์อนุนาโมได้แก่ยักษ์เสนาบดีผู้มีชื่อสมบูรณ์ซึ่งได้แก่ปุนกยักษ์นี้คำว่าจงได้พันรยาในวันนี้และพระตัดชะารังความว่าวันนี้ขอปุนกยักษ์เสนาบดีจงได้พันรยาพวกเราจะให้อิรันทีทิดาแก่ปุนกยักษ์ คำว่าจงไปส่งให้ถึงปาปะยาตุความว่าในวันนี้ปุณกกยักษ์จงไปส่งท่านให้ถึงอินทปัฏถนครแควนกุรุนั้นแลก็แลพยาวรุณนาคราชครั้นตรัสอย่างนี้แล้วจึงได้พระราชทานนางอิรันทตีให้แก่ปุณกกยักษ์ปุณกกยักษ์นั้นได้นางอิรันทตีสมปรารถนา ดังนั้นจึงมีจิตยินดีได้เจรจาปราศัยกับพระมหาสัตว์แล้วพระศาสดาเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสพระคาถานี้ว่าอุณกะยักษ์นั้นได้นางอิรันทตีนาคกัญญาแล้วมีใจชื่นชมโสมนัสปีติปราโมทได้กล่าวกับวิธุระบัณฑิตผู้ประเสริฐสุดของชาวกุรุรัตว่า ข้าแต่ท่านวิทุระบัณฑิตท่านได้ทำให้ข้าพเจ้ามีความพร้อมเพรียงกันกับพันรยาข้าพเจ้าจะทำกิจตอบแทนท่านข้าพเจ้าจะให้แก้วมณีนี้แก่ท่านและจะนำท่านไปส่งให้ถึงแคว้นกุรุรัตในวันนี้ทีเดียวบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าแก้วมณีมณีรัตนังความว่าข้าแต่บัณฑิต ข้าพเจ้าเลื่อมใสในคุณงามความดีของท่านข้าพเจ้าควรจะทำกิจอันสมควรแก่ท่านเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะให้แก้วมณีอันเป็นเครื่องใช้สอยของพระเจ้าจั ก, กรพรรดินี้แก่ท่านและข้าพเจ้าจะไปส่งท่านให้ถึงอินทปัตถนครแเควนกุรุในวันนี้ด้วยลำดับนั้นพระมหาสัตเมื่อจะกระทำความชมเชยแก่ปุณญกะยักษ์นั้น ได้กล่าวคาถานอกนี้ว่าแน่กัจจานะท่านจงมีมตรีสนิสนมกับภรรยาที่น่ารักอันไม่มีใครทำให้แตกแยกตลอดไปท่านจงเป็นผู้มีจิตเบิกบานมีปีติโสมนัสท่านได้ให้แก้วมณีแก่ข้าพเจ้าแล้วขอจงนำข้าพเจ้าไปยังอินทปัตถนครด้วยเถิดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่า อันไม่มีใครทำให้แตกแยกตลอดไปอเชยะเมสาความว่าท่านผู้กัจจายณะโคตท่านพร้อมกับภรรยาของท่านจงเป็นผู้มีความรักใคร่ปลองดองมีความสนิทสนมกันตลอดไปที่ใครๆทำให้แตกแยกกันไม่ได้พระมหาสัตว์กล่าวความที่ปุณกะยักษ์นั้นมีความพรั่งพร้อมด้วยปีติด้วยคำมีอาธิว่า จงเป็นผู้มีจิตเบิกบานอานันทจิตโตคำว่านายินทะปัตตังขอจงนำข้าพเจ้าไปยังอินทะปัตทนครด้วยเถิดตัดบทเป็นนยะอินทะปัตตังเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าปุญกะยักษ์นั้นเชิญวิทุระบัณฑิตผู้ประเสริฐสุดของชาวกุรุรัต ผู้มีปัญญาไม่สามให้ขึ้นนั่งบนอาสนะข้างหน้าของตนขึ้นมาอาชาในเพาะไปในอากาศกลางหาวปุณกะยักษ์นั้นได้นำวิทุระบัณฑิตผู้ประเสริฐสุดของชาวกุรุรัตไปถึงอินทปัตทนครเร็วยิ่งกว่าใจของมนุษย์พึงไปลำดับนั้นปุณกะยักษ์กล่าวกับพระมหาสัตว์ว่า อินทปัตฐนครปรากฏอยู่โน่นและป่ามะม่วงอันน่ารื่นรมก็เห็นอยู่เป็นหย่อมย่อมข้าพเจ้าเป็นผู้มีความพร้อมเพรียงกับภรรยาและท่านก็ได้ถึงที่อยู่ของตนแล้วบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพึงไปยะถาปิคัดเฉความว่าขึ้นชื่อว่าใจย่อมไม่ไปแต่เมื่อใจรับเอาอารมณ์ในที่ไกล เขาจึงเรียกว่าใจไปแล้วเพราะฉะนั้นเพิ่งเห็นเนื้อความในคำนี้อย่างนี้ว่าการไปของม้าสินทบมโนมมยนั้นได้เป็นการไปที่เร็วกว่าใจที่ถือเอาอารมณ์ด้วยคำว่าอินทปัตถนะครโน้นเอตินทปตังปุณญ ก, กยักษ์เมื่อแสดงแก่พระมหาสัตว์ผู้นั่งอยู่บนหลังม้านั่นแหละจึงได้กล่าวอย่างนั้น ด้วยคำว่าที่อยู่ของตนส ก, กังมิเกตังปุณกะยักษ์กล่าวว่าท่านถึงที่อยู่ของท่านแล้วก็ในวันนั้นเวลาใกล้รุ่งพระเจ้าทนชัยโกรพยราชได้ทรงพระสุบินที่ไม่เคยมีแล้วเห็นปานนั้นว่ามีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งตั้งอยู่ใกล้พระทวารพระราชนิเวศลำต้นประกอบด้วยปัญญา กิ่งแล้วไปด้วยศีลผลเต็มไปด้วยปัญจะโครถห้อมล้อมไปด้วยช้างและม้าที่ประดับประดาแล้วมหาชนพากันมาทำส ก, การะอย่างใหญ่ประคองอัญชลีนอบน้อมแก่ต้นไม้นั้นเป็นอันมากลำดับนั้นยังมีบุรุษดำคนหนึ่งนุ่งผ้าแดงทัดดอกไม้แดงถืออาวุธมาตัดรากต้นไม้นั้นให้ขาดแล้ว เมื่อมาหาชนร้องไห้ปริเทวนาการอยู่ได้ลากเอาต้นไม้นั้นไปไม่กี่วันก็นำเอามาส่งคืนไว้ในที่เดิมอีกแล้วหลีกไปพระราชาทรงพิจารณาพระสุบินนั้นอยู่ทรงสันนิฐานว่าใครๆคนอื่นที่เป็นดุดต้นไม้ใหญ่มิได้มีต้องเป็นวิธุระบัณฑิตใครๆคคนอื่นที่เปรียบกับบุรุษผู้มาตัดรากต้นไม้นั้น เมื่อมหาชนร้องไห้ปริเทวนาการอยู่ลากเอาไปแล้วมิได้มีต้องเป็นมานกผู้เอาวิทุระบัณฑิตไปวันพรุ่งนี้มานกจักนำวิทุระบัณฑิตมาประดิษฐานไว้ที่ทวารแห่งโรงธรรมสภาแล้วจักหลีกไปเปรียบกับบุรุษผู้นำเอาต้นไม้นั้นมาคืนไว้ณนะที่เดิมอีกแล้วไปเสีย วันนี้เราจะได้เห็นวิธุระบัณฑิตแน่นอนครั้นทรงสันนิฐานดังนี้แล้วทรงมีพระหารุไทยโสมนัสจึงมีพระดํารัสสั่งให้ประดับพระนครทั้งสิ้นและให้จัดแจงโรงธรรมสภาตั้งธรร ม, มาทในอลงม์กฎรัตนมนต์ดบครั้นเสร็จแล้วเท้าเธอเสด็จพระราชดําเนินไปประทับที่โรงธรรมสภามีพระราชาหนึ่งรหนึ่งพระองค์ และหมู่อมารษราษฎรชาวพระนครทั้งสิ้นแวดล้อมทรงรอคอยการมาของวิทุระบัณฑิตอยู่ทรงปลอบโยนมหาชนให้สบายใจไปพลางว่าพวกท่านจักเห็นบัณฑิตในวันนี้อย่าพากันวิตกไปเลยฝ่ายปุณณะยักษ์พาบัณฑิตลงประดิษฐานณถ้ำกลางบริษัทที่ประตูแห่งโรงธรรมสภา ลาพระมหาสัตว์แล้วพานางอิรันทตีไปสู่เทวนครของตนแล้วแหลพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสพระคาถานี้ว่าปุณกะยักษ์ผู้มีวันณดีวางวิทุระบัณฑิตผู้ประเสริฐสุดของชาวกุรุรัตลงในถามกลางธรรมสภาแล้วขึ้นมาอาชาในเหาะไปในอากาศกลางหาว พระราชาทอดพระเนตรเห็นวิธุระบัณฑิตนั้นทรงพระปรีดาปราโมทเป็นอย่างยิ่งเสด็จลุกขึ้นสวมกอดวิธุระบัณฑิตด้วยพระพาหาทั้งสองไม่ทรงหวั่นไหวทรงเชื้อเชิญให้นั่งบนอาสนะท่ามกลางธรรมสภาตรงพระพักของพระองค์บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้มีวันณดีอะโนมะวันโน ได้แก่ผู้มีวั น, นะไม่ต่ำคือผู้มีวั น, นะอันสูงสุดคําว่าไม่ทรงวันไหวอวิกรรมไปยังความว่าภิกษุทั้งหลายพระราชานั้นทรงประคองวิธุระบัณฑิตไม่วันไหวไม่ย่อท้อในท่ามกลางมหาชนจับมือทั้งสองให้นั่งบนอาสนะที่ตกแต่งไว้ให้หันหน้าตรงพระพักของพระองค์ ลำดับนั้นพระราชาทรงบันเทิงกับพระมหาสัตน์นนเมื่อจะทําปฏิสันฐานด้วยพระวาจาอันไพเราะจึงตรัสพระคาถาว่าท่านเป็นผู้แนะนําเราทั้งหลายเหมือนนายสารถีนําเอารถที่เสียหลักแล้วกลับมาได้ฉนั้นชาวกุรุรัตทั้งหลายย่อมยินดีเพราะได้เห็นท่านฉันถามแล้วขอท่านจงบอกเนื้อความนั้นแก่ฉัน ท่านหลุดพ้นจากมานพมาได้อย่างไรบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าที่เสียหลักแล้วนักถังความว่าท่านช่วยแนะนําเราในอันทำประโยชน์เกื้อกูลโดยเหตุคือโดยในเหมือนนายสารถีนํารถที่เสียหลักแล้วให้กลับมาได้ฉะนั้นคําว่าย่อมยินดีเพราะได้เห็นท่านนันทันติตัง ความว่าชนชาวกุรุรัตเหล่านี้พอเห็นท่านย่อมยินดีเพราะการได้เห็นท่านคำว่าจากมานพมาณวัตะความว่าท่านพ้นจากสำนักของมานพได้อย่างไรหรือว่าการที่มานพปล่อยให้ท่านพ้นไปเป็นเพราะเหตุอะไร